ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสันนินาทพงในรายการสันนิสนทนานะคะแต่ละสัปดาห์จะพบกันที่นี่สองวันคือวันพฤหัส บ, บดีกับวันศุกร์พร้อมกับการสนทนาธรรมะกับพระมหาภัยบุญนายพิบุญโนวัดป่าด อ, อนหายศอุย์ทานีเราก็ไปพบท่านกันเลยนะคะกลาบมวัฒการค่ะอ า, ะาจารย์ค่ะอาจารย์คอืบอากาศเย็นมากขึ้นทุกวันใช่ก็ได้พบว่า คนเราโดยเฉพาะคนกรุงเทพคนเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเดินต่ออากาศที่ค่อนข้างร้อนนะนะคะ่ะก็จะตื่นเต้นกันเดินทางขวักไขวไปมาอ่าตามเมืองเหนือตามภาคอีสานอะไรก็แล้วแต่ที่อากาศดีทําไมคนจังเป็นเช่นนั้นคะเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยอมีตัณหาเป็นเครื่องพาไปแตคการว่ามีตัณหาเป็นเครื่องพาไปเนี่ย เหมือนกับว่าถูกชักนําไปด้วยตันหานั่นเองแต่มันอยากตรงไหนล่ะอยากตรงนั้นก็ไปตรงนั้นแต่มันอยากตอนนี้อากาศหนาวก็อยากไปตามอากาศ ช, ช่วงนี้เขาคิดสีนี้ก็ฮิตไปตามสีนั้นช่วงนี้เขาไปกระทืบแบบนั้นก็ไปตามนั้นไปอย่างนี้นี่คือตันหาเป็นที่นําไปพระพุทธเจ้าตรัสไป ม, มีเทวดามีเทวดาองค์หนึ่งมาถามพระพุทธเจ้าว่าวัตโลกเนี่ยถูกอะไรชักนําไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตันหานี่ยแหละเป็นตัวที่จะชักนําโลกนี้ไป ทีฉันก็ถูก ต, ตัวตันหาเต็มที่เพราะว่าก็ไปเข้าเหมือนกันนะคะพาคุณแม่และครอบครัวไปเที่ยวที่เขาค้อเพชรบูรณ์แล้วก็ได้พบนะคะว่ามีคนที่ไปหาความหนาวเนี่ยเยอะจริงๆอะท่านคะจนกระทั่งที่นั่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าเที่ยวแล้วเพราะแอร์อัดยัดเยียดไปหมดเลยแย่งกันกินแย่กันใช่นะใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีระเบียบแล้วก็ที่พักเนี่ย ถ้าไม่จองล่วงหน้าไม่มีทางได้เป็นต้นนะคะแต่คนก็ยังไปกันแล้วก็ไม่เข็ดนะคะท่านปีหน้าก็เอาใหม่แสดงว่าตันหานี่เป็นตัวร้ายกาศใช่มันมันเป็นอย่างนี้ได้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่แต่ให้ไปอยู่ในที่เที่ยวแตถ้าจะไปนะให้ไปที่ที่เที่ยว ท, ที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแตที่ไหนเป็นที่เที่ยวของบิดาของตนนะพระพุทธเจ้าเป็นบิดาของเราในทางวิปัสตะใช่ไหม ที่ไหนที่จะเป็นที่เที่ยวของบิดาของเราคือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไปที่ไหนบ้างเอ่อไม่ใช่ว่าไปอินเดียหรือไปนเนปาลอย่างนั้นนะแต่ไปเนี่ยหมายถึงไปด้วยสติปัฏฐานสีนะไปอยู่ในสติปัฏฐานสีเพราะฉะนั้นถ้าเราจําเป็นต้องเดินทางไปบางทีมันก็มีความจําเป็นนะ่ะเป็นภาระครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อไปก็ไป <Okay. S 1> แต่ไปแล้วก็ให้มีสติไปด้วยไปแล้วให้ใจของเราเนี่ยอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมมีสติกู้กันไปอันนี้คือว่าไม่ออกจากที่เที่ยวของบิดาของเราค okay. คือไปไหนก็นแล้วแต่อย่าลืมสติถูกต้องนะคะเที่ยวแบบพระพุทธเจ้าเที่บบยวไปในสติปัญสีถูกต้องถูกต้องค่ะท่านอาจารย์ครพูดถึงสติปัญสีเนี่ยบอกว่ามีสติอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมก็เท่า <c oughs> กับว่าสติเนี่ยสามารถที่จะเอาไปตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้มีทางเลือกมากถูกไหมคะถูกถูกถูกเรากินอาหารที่อร่อยหรือว่าอยู่ในที่ที่อากาศมันเย็นสบาย เดเราตั้งสติของเราขึ้นเอาไว้ตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่ใจนะสตินี่มันจะต้องอยู่กระจายคู่กันนะเนื่องาะว่าสติเนี่ย<ะ>จิตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่สติแต่นะถ้าจิตที่เจอสิ่งที่มากระทบในะเช่นอากาศเย็นอากาศเย็นมากระทบผ่านทางกายนะจิตรับรู้อาหารอร่อยมากระทบผ่านทางลิ้นจิตรับรู้จิตถ้าไม่มีสติมันก็จะเผลอเปลินไปตามสิ่งนั้นก็จะละถูกลากไปาบางทีเราถูกลากไปด้วยเหตุปัจเจกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม แต่จิตของเราหน้ากายของเราถูกลากไปแล้วนะแต่จิตของเราเนี่ยอย่าให้ถูกลากไปจิตนั้นก็ต้องพุ่งเข้าหาสติแนะมันถึงจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เป็นการเที่ยวที่ไม่ทําให้เสียหายใช่เที่ยวแล้วได้ประโยชนข์ขณะขับรถก็ต้องขับอย่างมีสติถูกต้องถูกต้องทีนี้ถ้ามองออกไปนอกหน้าต่า ง, ะะางาแล้วท่านคะแหมวิวมันสวยฟ้าเขาดอกไม้ต้นไ ม, ม้อืมเอ่อการที่เรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของสวยงามอย่างนี้มันมันไม่มีปัญหานะ สมมติเราเห็นผู้หญิงคนนี้<แ>ผู้ชายคนนี้เออเขารูปงามนะเห็นที่นี่สวยอากาศเย็นสบายอันนี้สามารถเห็นได้<แ>เห็นด้วยความมีสติเป็นยังไงเนะี่มันเหมือนกับว่าถ้าเอาเอาเห็นด้วยความลุ่มหลงก่อนเป็นยังไงนะเห็นด้วยความลุ่มหลงเนี่ยก็คือจิตใจเราก็จะเพลิดเพลินเนีนะ่ยเพลิดเพลินรุ่มหลงเนี่ยหมายความว่าถ้าเราขาดสิ่งนั้นเมื่อไหร่เราจะมีความทุกข์ใจนะขึ้นมานะอันนี้แสดงว่ า, าการเห็นนั้นไม่ไม่มีสติละ แต่ถ้าบอกว่าเรามีสติตั้งไว้เออมีสิ่งนี้สวย อ, อว่าพระพุทธเจ้าเห็นนางสิรีมาเป็นผู้หญิงที่มีรูปงามทำไมพระองค์จึงรู้ได้อะเขาก็มีตาเนาะเห็นเขารูปงามก็ทราบได้แต่ว่าก็มีสติอยู่นนั้นไม่กำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินโมเมาในสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่ามีสติอยู่อ๋อหมายถึงว่าในพุทธประวัตินี้พระพุทธองค์ยังเคยชมผู้หญิงหรอคะท่านคะ อ, อ่าคือได้พูดถึงว่าคนที่เกิดมามีรูปงามมีใครมีใครบ้าง ชเช่น<ม>ก็เคยพูดถึงนางซีริมาว่าเป็นผู้ที่มีรูปงามสงแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบสิว่าใครสวยใครไม่สวยใครยี่เหรใครน่าเกลียดอันนี้ต้องทราบแน่เอาทําไมถึงรู้ได้ไงอ่ะเอาก็มันมันก็อยู่ที่ว่า ค, คนสมัยนั้นเขาวัดกันยังไงใช่ไหมอันนี้ก็ทราบได้แต่มีสติก็จะไม่ลุ่มหลงไปตรงนั้นเท่ากับว่าท่านกาลังจะบอกว่าอความงามเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราคิดว่าเรากําลังจะฝึกสติแล้วจะต้องพอเห็น อะไรสวยๆปุ๊บสมบัดิหน้าพลุดอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเออไม่ไม่ใช่อย่างนง้นไม่ใช่อย่านั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนดีกว่าเป็นขั้นเป็นตอนคือสําหรับคนที่ถ้ายังฝึกสติได้ไม่คล่องๆยังไม่มีความชานาญเนี่ยมันมันจะหวืหวาะมากเดคือถ้าเห็นนิดนึงปุ๊บจิตมันมันวิ่งไปแล้วน้ำตามันจะหันก่อนละมันไปหันไปตามตัณหาเดมันหันไปตามตัณหาปุ๊บมันก็หวืหวาะหวือหวานี่หมายความว่าจิตก็หลุดดุ้ยเผลอสติไปละเอาเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกทําไงนั้นคุณปเห็นอออยย่่าาไไปปมงดู เนี่ยตั้งสติขึ้นได้ฝึกให้ดีพอฝึกดีแล้วเน่ยจะดูก็สำรวจอินทรีย์ได้อันนี้คนละขั้นตอนกันนิดนึ่งต้องเป็นลําดับขั้นอย่างนี้ค่อยๆฝึกกันไปแต่ว่าเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนตามปกติมันเบื่อบรรยากาศแบบเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยทําไมเวลาคนเปลี่ยนบรรยากาศแล้วถึงรู้สึกดีขึ้นค่ะคือเหมือนบางคนสดชื่นขึ้นทันทีนะเห็นใช่มอันนี้มันเป็นเรื่องของกาลนนกากเ ล, เลยนนแล้วคุณคุณยมติ๋ว การว่าเป็นเรื่องของกามเนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องของความสุขทั้งตาทั้งหูนะคุณไปที่ใหม่มันก็ตื่นตาตื่นใจก็ธรรมด า, าแต่พอลองกลับมาสักสามวันนะหรือไม่เกินอาทิตย์ทำไมพลังมันหมดไงเหมือนเหมือนไม่ได้ไปแตนะ่บางคนพอไปอีกรอบนึงก็ไม่หือหวาเหมือนเดิมนะไปครั้งแรกดีก็ตื่นเต้นดีใจอยูนะ่มันเป็นอย่างนี้นี่คือเราจะรู้ได้ทันทีว่าไอ้สิ่งที่เราไปเอามาเนี่ ย, ยที่รู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของกาม เป็นความสุขทางกายแน่นอนมันมีประโยชน์เราไม่เถียงได้เลยลความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้ความสุขใดๆที่เกิดขึ้นจากนี้แต่ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ารสอร่อยของกามมีอยู่มีอยู่แน่นอนงั้นเท่ากับท่านกำลัจะบอกว่าความสุขทางกามเนี่ยเป็นความสุขที่ดับได้ไง่ายๆอย่างนั้นหรือไงคะเออมันไม่แน่นอนคือความสุขทุกอย่างเนี่ยไม่แน่นอนแน่ล่ะค่<ฆ>นะไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นสมาธิหรือความสุขที่เกิดจากตาหูเป็นความสุขทางกามไม่แน่นอนแน่ ประเด้มันคือตรงนี้ว่าไอ้ความสุขที่เราไปหาเนี่ยที่ว่าเราไปที่เที่ยว ท, ที่นั่นที่นี่เปิดนูเปิดตาแล้วก็สดชื่นเนี่ยมันมีความทุกข์แฝงมาด้วยมากยังไงสมมติคุณไปถึงก็อย่างที่คุณโยมติวพูนมาสักคนเนี่ยโอ้ยแย่งกันกินแย่งกันใช้คนเยอะแ ย, ยะไม่เป็นไรแบบสิ่งอาหารก็ใหม่พอขยะ ก, ก็เยอะคนตัวก็มีกลิน่นเนี่ยมันก็มีความทุกข์ที่แฝงมาในความสุขที่เราคิดว่าเราจะไปอากาศเย็นสบายเออมันก็ดีหรอกแม้แต่ความทุกข์เพียบเลย อันนี้คือมีสุขน้อยมีโทษมากนี่เป็นองนินมีสุขน้อยมีโทษมากใช่ความสุขทางกายเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวเราควรจ ะ, ะมีความรู้อะไรคะถึงจะทำให้การเที่ยวของเรานได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยได้เปลี่ยนบรรยากาศได้ไปได้เห็นธรรมค่ะก็คือต้องมีมีสติแน่นอนมีสติ คืขอคำว่าเปลี่ยนบรรยากาศได้ท่องเที่ยวเนี่ยนะอันนี้เรายกไปก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของกลางแน่แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านคุณมีสติได้ไหมก็ได้นะคุณก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้จำเป็นต้องท่องเที่ยวคุณก็มีสติได้ในการมีสติตรงนั้นะ än, ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะแต่เราถามว่าถ้าจําเป็นต้องเดินทางก็เดินทางได้ถ้าไม่จาเป็นต้องเดินทางก็ไม่ต้องวขวนขวายหาไปนะก็ได้ทั้งสองอย่างเพราะใจนั้นมีสติ ไม่เบื่อกับที่ที่เป็นอยู่ไม่ได้ขวนขวายอยากที่ที่จะต้องไปเีย่ยเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวฉันเข้าใจว่าคนที่ต้องข้องเกี่ยวกับคนรอบข้างเนี่ยอืมบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทําได้ตลอดอืมเพราะบางเวลาก็จะจําเป็นนะคะต้องดูแลคนโน้นคนนี้ที่การในลักษณะทั่วไปอยู่ใช่ ก็ให้วางจิตยอย่างนี้เราจะได้ไม่เครียดใช่ไหมคะว่าแหมฉันก็อ ย, กอยากอยู่ปฏิบัติฝึกจิตฝึกสติอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราก็ก็มีสติได้นะเพราะว่าสติเนี่ยอยู่ในใจของเรานใจเราไปที่ไหนเนี่ยมีสติตามไปด้วยได้ทุกสิ่งทุกที่เลยค่ะพูดถึงเรื่องของอากาศเย็นอากาศร้อนพระพุทธองค์เคยตรัสว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติไหมคะท่านคะออมีเรื่องของคําว่าสัปปายะอยู่สัปปายะนี่คือความสบาย ความสบายที่เกิดจากสถานที่เขาเรียกว่าอุตุสปายะอันนี้หมายถึงอากาศนะอุตุสปายะเนี่ยคือเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องของอากาศสถานที่ก็มีส่วนแต่ก็ว่าสปายะเนี่ยมันไม่ได้รวมหมายถึงเรื่องของกามนะอย่างอุตุสัปายะเราจะบอกเองอากาศเย็นประมาณสักยี่สิบสิองศานี่แม้สปายะสําหรับฉันอันนี้คุณใจก้คำไม่ถูกเพราะว่าสปายะเนี่ยหมายถึงความสบายเอื้อเฟื้อในการที่เราจะปฏิบัติ นะเอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติของเราหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะทําให้เราตั้งอยู่ในกุศลได้มันจะทําให้เราออกจาอกอกุศลได้แต่บางทีเราไปอยู่ในที่ที่อากาศสบายเนี่ยมีกามกลุ่มรุมอยู่เผารนอยู่ถูกตถาเคียวกินอยู่อันนี้อกุศลครอบงำเต็มๆแต่แสดงว่าที่อากาศเย็นๆนั้นไม่ได้เหมาะกับคุณเลยในทางตรงกันข้ามบางทีเราไปอยู่ลําบากนะอยู่ลําบากอยู่ร้อนๆ อ, อยู่แบบที่ไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบายแต่อกุศลระดับมันลด นื้กูสอธรรามันเพิ่มไอการอยู่ตรงนั้นสถานที่นั้นอากาศแบบนั้นเออมันเป็นสบายะเป็นความสบายต่อการที่กิเลสเนี่ยมันจะลอกออกไปค่ะอะงั้นสมมุติว่าเราไปเห็นที่ที่แหน่มันเงียบๆดีนะอะอากาศดีนะเราเป็นคนฝักไฟปฏิบัติอืไปซื้อที่ที่นั่นเพื่อที่จะไปอยู่ปฏิบัติเลยก็ไม่แน่สิคะทางคะก็ไม่แน่ไม่แน่อ่อย่างไรก็ตามไอความเงียบสงัดนี้มันดีอยู่ ความอยู่ในที่เซนนาสนาที่สงัดเงียบอันนี้ดีดเรื่องอากาศเรื่องสถานที่บางแห่งบางคนต้องโลเคชั่นนี้นผู้เขาต้องภูเขาแบบนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ถ้าปอกว่าจิตใจเราน้อมไปในทางกลามอันนี้เราต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าเราจะคิดว่าสถานที่นี้สัปปะยะมันไม่แน่นอาจจะเป็นเรื่องของกลามที่กําลังกลุ่มรุมเผาในใจของเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าปอกว่าเราไปซื้อที่เอาก็ต้องดูให้ดีว่ามันเป็นพืติเดินของกลาม หรือมันเป็นเรื่องของดีต่อการปฏิบัติของเรานะค่ะงั้นถ้าเช่นนั้นมาที่ประเด็นของความสงัดนะค ะ, ะความสงัดนี่จําเป็นมากไหมคะกับการที่จะฝึกปฏิบัติตามหนทางของระศาสดาค่ะอันนี้เป็นข้อแรกเลยคุณโยมติยวนะข้อแรกเลยว่าบุคคลที่ยินดีในการสงัดเงียบหรือนะยินดีในการไม่คลุกกลีการยินดีในการที่จะอยู่หลีกเร้นนะจะสามารถที่จะ ทำนิมิตแห่งจิตของตนได้ในนิมิตแห่งจิตของตนก็คือเห็นจิตได้พอเริ่มรู้จากนิมิตแห่งจิตของตนรู้จิตแล้วจะทำสัมมา ส, า ม, าใใ ม, สา ม, มาธิไหนเกิดขึ้นได้มีสัมมาสมาธิแล้วจะมีละสังยโยชน์ได้อันนี้ได้ละสังโยชน์ได้จะทำนิพพานให้แจ้งได้โหนี่ไปถึงนิพพานเลยนะแค่อยู่ในเก ร, รนนี่ท่านบอกว่าเป็นข้อแรกในข้อแรกของอะไรคะข้อแรกของลําดับขั้นการปฏิบัติเลยนะข้อแรกของลำดับขั้นการปฏิบัติเลย แล้วก็พูดไว้อีกหลายที่ว่าอพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล่นเถิดพูดลีกเล่นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงเรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรก็ซึ่งอริยสัจสี่ค่ อ, องั้นเท่ากับว่าเรื่องของความสงัดเนี่ยเป็นตัวที่เอื้อเฟื้อกับการที่เราจะเห็นจิตเลยค่ะเมื่อสักครู่ใช่การที่จะเห็นจิตเนี่ยหมายถึงว่าสำเนียอนี้ไม่แทงจิตของตนได้นะครับว่าสำเนียอนี้ไม่แทงจิตของตนได้เนี่ย ก็คือรู้ว่าเราจะตั้งจิตขึ้นยังไงนะคำว่านิมิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายเครื่องหมายในการที่เราจะตั้งจิตขึ้นพอตั้งจิตขึ้นแล้วคุณจะมีสมาธิฏฐิมาถูกทางล้วเริ่มมาถูกทางคือถ้าเราอาจจะต้องใช้ความสงัดในการที่จะจะตั้งจิต<ค> น, นหาตั้งจิตขึ้นได้ใตั้งจิตขึ้นพระพุทธเจ้าใช้คํานี้บอกว่าสําเนี๊ยดนิมิตแห่งจิตของตน หนักมาสัมเนียกนิมิตแห่งจิตของตนเนี่ยนิมิตคือเครื่องหมายนะสัมเนียกนี่คือแบบมาทําใส่ใจมาคอยเตือนตัวเองคอยรู้คอยดูนัคืออยู่เงียบๆไม่มีใครมาดึงจิตของเราไปไหนละไม่มีเสียงไม่มีคนมาเรียกไม่มีคนโทรมาจิกไม่มีคนโทรมาด่าใช่ไหมเราก็เริ่มที่จ ะ, ะสัมเนียกนิมิตแห่งจิตของตนได้รู้ว่าเอ้เครื่องหมายแบบไหนเราจะตั้งจิตเอาไว้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะงั้นท่าสมมติเปรียบเทียบนะคะกับวิธีการปฏิบัติ เพื่อที่จะเจริญสติ่าแบบอนาปานาสติอืเรามีสติอยู่กับลมหายใจอืแล้วเราอยู่ในที่สงัดจะทําให้เราสามารถจับได้ถึงสมัมเนีแห่งจิตนี่ตรงไหนอย่างไรคะอาจารย์คือเราจะนิมิตในที่นี้คือลมหายใจ น, นั่นเองเราจะรู้ว่าเราจะเอาลมหายใจเนี่ยแบบไหนถึงจะตั้งจิตขึ้นได้ไอที่บอกว่าเห็นลมหายใจเห็นลมหายใจเนี่ยแหมมันก็รายละเอียดขึ้นมา มีก็มีรายละเอียดนะตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่เหมือนกันแล้วตำแหน่งไหนกันแน่ตรงนี้คุณจะเห็นได้ถ้าคุณอยู่ l ลีกรันอยู่ในที่สงัดได้ค่ะมันจะฝึกปฏิสิทิใหม่ๆเนี่ยการไปอยู่ในที่หลีกรันนี่น่าจะเอื้อเฟือถูกต้องสําคัญมากใช่ใช่เนอะทีนี้ไอการการอยู่หลีกรันนะพระพุทธเจ้าก็ได้ให้สเปคไว้นิดนึงให้คําอธิบายไว้นะว่าแบบไหนหลีกรันกันแน่หนูก็ที่ละเอียละเอียดก็พูดถึงว่า อยู่ในเสนาสนะที่ที่มันเป็นที่ทําการรับของมนุษย์ไม่มีผิวกายที่เกิดเป็นลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกเเป็นที่ที่ทําการรับของมนุษย์พวกนี้อันนี้แบบที่หนึ่งก็คือถ้าคนเข้าคนออกปุ๊บก็จะมีลมที่เกิดจากผิวกายของเขามาโดนตัวเรามันก็ไม่สงับละโอขนาดลมจากผิวกายนี่นเองใช่ใช่อันนี้อันที่อันที่หนึ่งหรือนที่สองก็พูดถึงเรือนว่างโคนไม้อันนี้ก็ได้ เนะีสเปคที่สามอันนี้ก็อธิบายไว้อีกเยอะเนะีเรือนว่างโคนไม้ป่าภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชา้าป่าชา้าที่แช้งล้อมฟางเนี่ยนะที่แจ้งล้อมฟางพวกนี้เป็นที่ที่เอ่อย่างล้อมฟางเนะี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วเนะี่ยก็เหลือแต่ฟางหญ้าฟางเขากองเอาไว้นะีพระอาจจะไปอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีใครมากวนก็ได้ค่ะนี่ก็คือความหมายของคำว่าหลีกเลนของพระพุทธองค์อ่าเป็นเป็นหมายถึงว่าเสียนาสนะที่สงัด อเสนาสนะที่สงัดในความหมายของพระพุทธองค์ที่เหมาะสมสาหรับการหลีกเร้นถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องไปทําการหลีกเล้นในเสนาสนะอันสังกัดค่ะแต่บางทีเราก็ได้ยินอย่างนี้นะคะว่าเขาบอกว่าเราปฏิบัติได้อยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ไม่ต้องไปถ้าฟังจากที่ถ้าอาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราจะต้องไปที่อื่นนะคะเนี่ยไปป่าไปเขาไปเรือนว่างโคนไม้เพราะที่บ้านไม่ว่างอะคะท่านการ ที่คำว่าเรือนว่างเนี่ยก็หมายถึงอาจจะเป็นห้องนอนหรือห้องพระที่บ้านของเราก็ได้นะห้องนอนหรือห้องพระคือถ้ามันไม่มีไม่มีกิจกรรมอื่นนะไม่มีกิจกรรมอื่นมีไม่มีอะไรทำอะ่ะไม่มีอะไรทาอย่าง <Ah อื่นอันนี้ชื่อว่าว่างอยู่นะเ <c oughs> ปิดมาดูก็มีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรนี่ถามว่าห้องนี้ว่างไหมเขาก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเราก็บอกว่าว่างก็ไดนะ้เราจะใช้ห้องประชุม <c oughs> หรือห้องพระอย่างนั้นก็ได้เประเด็นก็คือว่าในเสนาสนะแบบนี้เนี่ยการกระทําไปการไปอยู่หลีกเร่นเนี่ย ก็คือการที่เหมือนกับอยู่คนเดียวนะคือมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้าย ข, าข้างขวาเนี่ยไม่มีใครอยู่ส ง, งัดนะแล้วก็ประเด็นคือตรงนี้ว่าถ้าเผื่าเราอยู่บ้านคนเดียวแต่ถ้เราอยู่คนเดียวก็ตามแต่ถ้าจิตเนี่ยยังมีความคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆอันนี้ชื่อว่ายัางไม่วิเวกนะกายวิเวกอยู่แต่จิตยังไม่วิเวกีระเด็นคำว่าวิเวกมันก็จะมีเทอมขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้คือกายด้วยใจด้วยในที่เราพูดมาครู่คือเรื่อง ข, ของกายกายยวิเวกนั่นเองค่ะทีนี้ก็มาถึงตรงที่ บางคนเนี่ยอาจจะโชคไม่ดีนะคะท่านคะเขาต้องอยู่อาศัยในที่แออาดตลอดเวลาโรงพยาบายัางไงมันก็คนเยอะเคยได้ยินบางบ้านนะคะเขาเล่าให้ฟังว่ามีลูกเยอะเนี่ยชนิดที่ว่าคุณพ่อต้องทําหากินก็ไม่มีเวลาดูแลลูกเนี่ยวิธีการที่จะเลี้ยงลูกวิธีหนึ่งก็คือต้องดูว่าลูกเข้าบ้านหรือยังจะใช้วิธีนับต่อลูกหลับเอานะค ะ, ะแสดงว่า แอะอ่ามากเลยทีนี้อาจจะมีประเภทอื่นๆที่ยังแอะอาอย่างเงี้ยแต่อย่างหลีเล้นอ่ะก็เชื่อพระพุทธเจ้านะอยากปฏิบัติใช่ไหมคะใช่มีวิธีเทคนิคพิเศษอะไรไหมคะทั้งๆ ท, ที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยวิธีที่ที่จะใช้ได้ก็คือตอนลูกหลับนั่นแหล ะ, ะลูกหลับไปแล้วก่อนนอนแม้เราจะเผื่อเวลาสัก10นาทีส10นาทีเรานอนสายไปสักสนาทีอันนี้เราใช้เวลาตรงนั้นก็ได้ คือเพราะว่าในชั่วโมงต่างๆเมื่อที่อาจจะไม่ว่ามันจะว่างแค่เฉพาะช่วงนาทีนี้เวลาชั่วโมงนี้เราก็ใช้ชั่วโมงนั้นนาทีนั้นแต่้าเราจะตื่นก่อนที่คนอื่นเขาจะตื่นสักครึ่งชั่วโมงหรือสินาทีเราก็ใช้เวลานั้นคือถ้าผมว่ายุ่งบีซี่ขนาดนี้เนี่ยก็ขอสัก15นาทีก็แล้วกันตอนเช้าตอนค่ำก่อนตื่นนอนก็ตื่นให้เร็วขึ้นสักนิดหนึงสินาทีก่อนนอนก็นอนเหลวไปสัก15นาทีนอนน้อยไปสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไร ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำได้อย่างที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความสงัดคือหลีกไปเลยนะคะในที่ต่างๆดังว่านั้นน่ก็โชคดีไปไแต่ถ้าไม่มีองค์ประกอบอย่างนี้สำหรับเราก็ยังมีโอกาสทาได้ ค, คือหาหาจริงๆนะหาได้ห ร, หรือแม้แต่ว่าเราอาจจะอยู่ที่ทำงานอาจจะมีเวลาที่เรารอลิฟ เดินขึ้นบันไดรอประชุมพวกนี้เราใช้เวลาซักสองสามนาทีตรงนั้นเนี่ยหลีกกันได้แล้วมันไม่มีใครมากวนนี่เราก็อยู่ซึ้กๆึ้ะดูลงไม้ใชอย่างงี้ปฏิบัติได้ทันทีค่ะ okay. พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อฝึกสะสมแต้มปไปเรื่อยๆใช่ใช่ใชเก็บชั่วโมงมบินมีไหมคะลูกศิษย์ของท่านที่ เขาปฏิบัติในทํานองนี้แล้วมาถ่ายทอดประสบการณ์ว่าจเจริญขึ้นได้ผลขึ้นสําหรับการฝึกปฏิบัตินะคะถูกต้องถูกต้องการที่มีคนเคยมาบอกเยอะแยะอย่างน้อย5้าคนเป็นอย่างน้อยละเนี่ยที่พูดถึงว่าการมีสติรู้ตัวอยู่ในช่วงระหว่างวันเอ๊ะมันทําให้ตอนค่าเราก่อนนอนเนี่ยปฏิบัติสักประมาณสินาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยช่วงนี้รวมจิตได้เร็วแล้วก็สมาธิได้ลึกเนะี่ยตอนที่ตอนคืนทำเนะี่ยรวมจิตได้เร็วทําสมาธิได้ลึก ในช่วงระหว่างวันก็ช่วยเกือ้อกูลกันด้วยว่าอาตอนระหว่างวันเรากลับมารู้ลราหมายใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะช่วยคอยหาจังหวะเวลาในการหลีกเล่นได้ได้บ่อยขึ้นช่วยเหลือเกือ้อกูลกันค่ะค่ะถ้าทําได้อย่างนี้แล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างไรกับคนที่ทําได้นะคะอันนี้จะเป็นทางที่เขาจะไปสู่วิมุตได้เลยคือเขาเดินตามทางตลอดนะเดินตามทางตลอดเดินไปเดินไปยังไงก็ถึงนิพพานนะคะคือไม่ต้อง มารอเหมือนกับหลายคนที่มีความคิดว่ามันต้องแหม ว, ว่าชีวิตนี้ไม่เคยว่างเลยคิดว่าสักวันหนึ่งเกษียณแล้วจะว่างค่อยทำอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือคือประมาทไปนิดนึงเนี่ยประมาทไปนิดนึงเราเอาตอนนี้แหละตอนนี้นิดนึ ง, นงเรา เ, าเอาเก็บไปเก็บแต้มไปนะคะก็คิดว่าวันเนี้เริ่มต้นจากการาพูดถึงาการไปเที่ยวไปมาๆก็คือได้ความรู้ว่าไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไม่ไปเที่ยวหลีกออกไปเด็กคนอื่น ตามที่พระพุทธองค์อยากให้หลีเราก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งนั้นใช่ขอเพียงแต่เรามีความก็ใช้ความอยากได้ไหมคะท่านคะมันก็เป็นความความอยากเป็นตัณหาเลยนะคะเนี่ยอันนี้ิบัติจันทร์ฉันทะมีฉันทะคือความพอใจความพอใจมีได้ความพอใจในการอยู่เลีกเล่นได้ไม่เรียกว่าตัณหานะคะอันนี้ความพอใจพระพุทธเจ้าใช้คําว่าฉันทะคือความพอใจใช่ค่ะก็ได้ประโยชน์ทีเดียวนะคะเพราะว่าที่เราเนี่ยเข้าใจได้ว่า ไม่ต้องไปคิดว่าเรื่องพวกนี้ยยากหรือว่าจะต้องแย่งหาเวลาที่เป็นพิเศษอย่างไรขอเพียงแต่ทําความเข้าใจแล้วก็ตั้งหน้าตาั้งตาทำในเวลาที่มีอยู่ของพวกเรานี้อย่าประมาทก็กล่าวนมห ก, การของพระคุณพระอาจารย์ไพบุตรพิบุตรเป็ น, นอย่างยิ่งนะคะมส ก, การค่ะสังสรรค์ที่เคารพค่ะนะค ะ, ะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญก็จึงพยายามที่จ ะ, ะถาม ถ้าอาจารย์เพื่อที่จะให้พวกเร า, เารู้แง่รู้มุมแล้วก็มีการตัดสินใจที่จะลงมือกระทําเพราะว่ า, ามีคนจํานวนมากทีเดียวนะคะที่มักจะพูดในกรณีที่ว่ามันไม่สะดวกมันไม่ว่างมันไม่มีเวลาอะไรประมาณเนี้ยนะคะรายการนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขกับช่วงเวลาของอากาศที่เย็นสบายและขอให้เป็น เย็นสบายอย่างมีสติรู้ตัวตลอดเวลาเรามาติดตามรายการกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรายการสันสนีสนธนา ส, สถานีวิทีิ์ข้อควรไพบูอภิปุณโนและดิฉันสันสนีนาพงนะคะพุทธสวัสดีคะ่ะ